จเจริญสุขทั้งผู้ฟังและท่านนักศึกษาทั้งหลายวันนี้เราก็มาว่าบทเรียนพุทธประวัติกันต่อไปในครั้งที่แล้วนี้ก็ได้จบเล่มที่สองไปแล้วอันนี้ก็ขึ้นตนเล่มที่สามในเล่มที่สามนี้ก็ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องปัจฉิมโพธิการหมายถึงว่า การเป็นสุดท้ายแห่งการตัดสู่หรือว่าสุดท้ายแห่งชีวิตของพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้รัดสูอนุตรสัมมาสัมพุทธิยานแล้วก็ได้แสดงพระธรรมจักรเทศนาพระธรรมจั ก, กรกับบรินทสุขโปรดปัญจวคัคคีทั้งห้าและได้สมงบักทิฐาน พุทธบริษัททั้งสีคือภิกษุภิกษุนีอุบาสกบบสิกาให้ดำร ง, งมั่นอยู่ในพระธรรมแล้วก็ประกาศพรหมจรรย์ให้สมบูรณ์แพ่หลายเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากพระพุทธองค์นั้นทรงเสด็จสั่งสอนมีนยาสัต์ไปในคามนิคมและชนบททานีใงนั้ น, น, นทั้งน้อยใหญ่ ซึ่งมีเมืองราชพฤก์เป็นต้นได้ประดสถานพุทธสาวโลกมนทนให้เป็นไปนับการกำหนดได้ตั้งแต่ตัสรูมาจนถึงพรรษาที่สี่สิบสี่ในพรรษาสุดท้ายคือพรรษาที่สี่สิบห้านั้นพระองค์เสด็จจำพรรษาอยู่ที่บ้านเวรุวรคำตามพระทิยาใส ทั้งนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จจากอัมพปาลีวันซึ่งพระนางอัมพปาลีคณิกาได้สร้างเป็นพระสังฆารามถวายพระองค์ก็ได้จากวัดที่นางอัมพปาลีคณิกานั้นพร้อมด้วยพระพิสุสงผู้เป็นพุทธเวไนอ่าบล บ, บ, บ, บริวารจนถึงบ้านเวลุวะธรม ท่านอยู่ในเขตเมืองภัยาลีนครภัยาลีหรือว่าเวสาลีนั่นเองท่านเวลาจวนใกล้จะเข้าพรรษาพระองค์ก็ตรัสเรียบพระภิกษุส่งมาแล้วก็ส่งมีญาติว่ามีก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจําพรรษาตามสถานที่ที่มีมิจฉาหายแห่งต้นแห่งต้นเถิด สุดแทแต่ว่าบุคคลใดอะจะพอใจจำพรรษาที่ไหนแต่เราตะผู้สถาคตนั้นจะจํารรษาที่บ้านเวหรือว่าคามตําบล น, น้อยแห่งนี้ในกลางในอภายในพันสันเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงไปชวนหนักครั้งหนึ่งที่เรียกว่าไปชวนคลาภาคกลาขลาภาค ก, ก็แปลว่าอาภาสกลาหรืออาภาสหนัก เจอทุกเวทนาอย่างแรงกล้ากเกือบจะสิ้นพระชนแต่พระองค์นั้นทรงพิจารนาแล้วทรงพิจารณาเห็นว่าพระองค์นั้นยังไม่ควรที่จะปริญพานในการนี้ก่อนก็ทรงดำงรงทระสติสัมปชัญญนะนะทรงดำรงสติพระสัมปชัญญะแล้วก็ทรงกั้นทุกขเวทนาด้วยอธิวาสนาขันติ ประนามขับไล่พยาธิอ า, าพาต่างๆให้ละ ง, งับไปด้วยอิธิบาทภาวนาค่านนะพระองค์เมื่อดำลงพระกายเป็นปกติละ ง, งับพระคลาพาตได้แล้ววันหนึ่งพระองค์ก็เสด็จนั่งเหนือพอุทธาฏซึ่งปูอาซึ่งพระอ น, นุนได้ปลุลาดไว้ที่เริ่มเงาแห่งพระวิหารพระองค์ก็จึงได้ประกาศพระอ น, นุน จริงได้สนทนากับพระอานนท์พระอานนท์ก็ได้กราบทู้นว่าข้าพระองค์เห็นความผาสุทแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแล้วก็ได้เห็นความทนอดตั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเพิดด่มในชวนหนักนั้นกายของข้าพระองค์นั้นก็รู้นึงว่าจะงอมละงมไปเลย แม้ทิศน้อยทิศใหญ่ก็มืดมนไม่ปรากฏแม้ทําทั้งหลายก็ไม่สว่างแจ่มแจ้งเพราะเหตุที่ว่ามาวิตกกัวงวลเกี่ยวกับเรื่องพระอาภาตของพระองค์หรือวิตกกัวงวลเกี่ยวกับเรื่องพระองค์ที่ทรงพระอาภาตหนักนั่นเองแต่ก็ยังเกิดมีความยินดีน้อยหนึ่งว่าหน่อยหนึ่งว่าทศตราบใดพระผู้มีพระเจ้ายังไม่ประรักถึงพระสงฆ์ ตัดพพุตตรุษอ้ออันใดอันหนึ่งแล้วก็จักยังไม่มีพานอย่างแน่นอนเมื่อมีความคิดจินี้แล้วก็เกิดมีความยินดีขึ้นที่พุทธองค์ตรัสจริงไม่ตรัสวันดีก่อนอนนลที่สูสงยังจะมาหวังอะไรในเราในเราอีกเล่าทำทั้งหลายเราก็ได้แสดงไปแล้วและทำที่เราแสดงนั้นที่สถาโกแสดงไปนั้นไม่ได้มีภายในภาย น, น, นอก คือน้อยความราไม่้ด้วยซ่อนเล่นทรมะอะไระเหมือนกับอาจารย์บางท่านที่ไม่กล้าแสดงบอกวิชาหรือศิลปะต่างๆให้หมดเพราะเหตุที่ว่ากลัวกศิษย์นั้นจะสู้ครูแต่สำหรับพระตถาคตเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีกรรมมืออันแบแล้วคือหมายความว่าพระองค์นั้นทรงแสดงอย่างหมดสิน้นวิไดเก็บทาใดทาหนึ่ง ว่าทํานี้จะต้องแสดงเฉพาะคนอผู้นั้นทํานี้จะต้องแสดงเฉพาะคนเหล่านี้หรือว่าทํานี้จะต้องแสดงเฉพาะในเวลาใกล้จะอวาสานข้อเหล่านี้ไม่มีเลยแกพระธรรคตเมื่อก่อนอ น, นุนผู้ใดยังมีฉันทะอะไรอยู่ ว, วะเราจักรักษาพระพิสุสง์หรือว่าพระพิสุสง์มีตัวเราเป็นที่พํานักเป็นที่พึ่งนั่น ผู้นั่นแหละก็จะมีอภรรลบพระพิสุสงฆ์แล้วก็ยังแสดงซึ่งความห่วงอลาลัยพิสุสงฆ์อยู่แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีเลยในพระธรรมคดูก่อนอนอนบัดนี้เราที่ธรรคตนั้นแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่เรื่องการผ่าน ว, วัยไปเสร็จแล้วถ้าจะเปรียบแล้วอตอนนี้ก็มีผระชนอายุถึงแปดสิบปีเขาแล้ว กายของมุตถาคตนี้เปรียบเทียบได้เป็นหนึ่งกับเหมือนกับปลีกูกเกียนที่ชํารุดที่เจ้าของเกียนนั้นซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่อันไม่ใช่ทพระสมำละของเกียนสำหรับในข้อ น, นี้พระองค์ก็ทรงเปรียบเทียบให้ว่าธรรมดาวเกวียนนั้ น, น่ะทําด้วยไม้จริงเมื่อชํารุดทุโทมแล้วก็ต้องซ่อมแซมด้วยไม้จริงแต่ว่าเพราะเหตุที่เกวียนนี้ชํารุดทุโทมมากแล้ว คือหมายความว่ามื่อซ่อมแล้วก็ใช้ได้อีกไม่นานเพราะฉะนั้นเจ้าของจะใช้ไม้กินซ่อมแซมก็เส้นดายไม้ก็ใช้ไม้ไผ่เรียกว่าใช้ได้อีกปวะมาณสงวันก็คงจะพังแล้วในทํานองนี้พระองค์ก็ทรงเปลียบเที่ยวว่าร่างกายของพระองค์นี้เปรี่ยนเปลี่ยนเว้นที่ชํารุดเจ้าของก็ซ่อมแซมโดยเพียงไม้ไผ่คือจะอยู่ไปได้อีกไม่นานะพระองค์ก็ตรต่ตอบไปว่าดูก่อนพระอนนนต์ พฏะถานคตนั้นสมัยใดก็ดีที่สถาคตเข้าเจโตสมาธิหรือว่าอ น, นิมิตะสมาธิกายแห่งพฏะสถาคตก็ย่อมผาสุกในสมัยนั้นดูกรอนนท์เพราเหตุที่อมิตะสมาธิอิหานี่แหละเป็นเหตุให้มีความผาสุกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่ง หาใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งใหม่คือมีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งทุกอิริยาบทเมื่อพระองค์ตรัสแส ด, ดงนี้แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงข้อที่ตน ม, มีธรรมะเป็นที่พึ่งว่าธรรมะอันใดที่ว่าจะพึ่งเป็นที่พึ่งพระองค์ก็จึงได้ตรัสธรรมะที่เป็นที่พึ่งนั้นก็ได้แก่สติปัญฐา ให้พิสุทธิสงฆ์ทั้งหลายประกอบอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่ทงสั่งสอนพิสุทสง์ให้ในเอกายกรรมเ อ, เอกายนามัคคือสติปัฏฐานภาวนาและปะจินณกะเทศนาว่าให้เป็นที่พึ่งแก่บุคคลผู้มีธรรมะเป็นที่พึ่งต่อไปองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสำราญอิริยาบทอยู่ณบ้านเวลัวคามนั้น ตลอดมาจนกระทึงกระทั่งล่วงเข้าในเดือนสามอันเป็นเดือนเดือนแห่งเหเมันตะระดูซึ่งเป็นฤดูหนาวในครั้งนั้นซึ่งเป็นเวลาเช้าองค์เสนาภิสำมาสมพุติเจ้าทรงถือบาทและจีวรเสนาโคจรไปบิทบาทณนเะมืองเวสาลีขั้นประชาพัฒ คือหลังจากฉันพระตาหารแล้วก็กลับจากบินชบารตราสั่งให้พระอานนท์นีถือผ้านิสีธนะสําหรับรองนั่งเสด็จไปยังปาวาเลเจดีเพื่อสาลานอยู่ในกลางวันพระอนนท์ก็ปูราดผ้านิสีธนะอยู่ในโลกแห่งหนึ่งพระองค์เสด็จประทับนั่งแล้วก็จึงได้ตรัสรู้พระอานนท์เพื่อที่จะให้พระอานนท์นั้น กราบทูลนรัานาเพื่อที่จะให้พระองค์นั้นดำลงอยู่ชั่วอายุกับหรือว่าเกินกว่าอายุกับพระองค์ก็จึงได้แสดงนิมิตโอภาอันชัดแสดงถึงอามุภาพแห่ง อ, อิทธิบาทภาวนาว่ามีคนใดก็ตามที่มีอิทธิบาตภาวนานี้อย่างช่ำชองหรือจเจริญอย่างช่ำชองนั้นก็สามารถจะดำลงอยู่ได้ชั่วอายุกับหรือว่าเกินกว่าอายุกับ พระองค์ตรัสเช่นนี้มีมิตโอภาสเช่นนี้ถึงสามครั้งแต่ว่าพระอนนท์นั้นรู้ไม่ทันเพราะเหตุที่อ ม, มานเข้าดนใจเสียพระอนนท์จึงรู้ไม่ทันจึงไม่ได้อาราธนาให้พระองค์ทรงอยู่ชั่วอายุกับหรือว่าเดินกว่าอายุขับความจริงคําว่าอายุกับหรือเกินอายุกับนี้หมายถึงว่าเป็นแต่ละยะ หรือว่าแต่ละสมัยเช่นในอายุกับแห่งโคดแห่งสมัยขององค์สุเดวะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้อายุกับของมนุษย์นั้นก็คือเพียงร้อยปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระอนุทูล ร, รัชนาให้พระองค์อยู่จนกระทั่งถึงอายุกับหรือเกินกว่าอายุกับนั้นถ้าหากว่าพระองค์ทรงรักพระองค์ก็จะอยู่ได้เพียงร้อยปีหรือว่าร้อยกว่าปีเท่านั้น <c oughs> นี่เป็นอายุกับ <c oughs> เมื่อพระนนท์ไม่สามารถที่จะรู้ได้เช่นนี้พระองค์ก็ทรงขับให้พระานนท์นั่นไปจากเสีที่นั้นพระนนท์ก็จึงได้กระทำประทักษิงถว า, ายบังคมแล้วก็ลีกไปนั่งณนะลงมม้แห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลนะักท่านพระนนท์ลีกไปแล้วมารก็ได้เข้าเฝ้ายกเนื้อความแต่ปางหลัง ยกเนื้อความจะปางหลังว่าครั้งแรกในแต่สรู้อนุตตรสัมมาทิพยานประทับอยู่ที่ครวงไม้อชาปอ่าครั้งหนึ่งและที่ประทับอยู่ที่ครวงครวงไม้อชาปะเลโคตครั้งหนึ่งมารนั้นเลยขอทูลนรัตนนาให้พระองค์นั้นสเสด็จดับขันธบริณีพานแต่พระองค์ก็เด็ดขาดว่าบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกบสิการนั้นยังไม่ฉลาดพอ ยังไม่อาจที่จะแสดงธรรมย่ํายีแต่รบวาทะโดยสหธรรมได้และพระบรมจรรย์ก็ยังประกาศไม่แพร่หลายภัยบุญด้วยดียังไม่สําเร็จประโยชน์แก่ประชุชนเปน็นมากทั้งเทพเดามนุษย์เพราะฉะนั้นตถาคตยังไม่จักจะไม่ปริญิพานเพียงนั้นแต่บัดนี้บริษัทสมบัติคือบริษัททั้งสี่ และพระมัจจันก็สมบูรณ์ดังพุทธประสงค์ทุกประการแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพานเถิดบัดนี้เป็นการที่จะปรินิพานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเมื่อมารกล่าวเช่นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จึงจะตัดวันดูก่อนมามารผู้มีใจบาปเือนั้นจงมีความขวน ข, ขวายน้อยเถิดความปรินิพานแห่งพระเถาคตจักมีจักมีในไม่ช้าโดยการล่วงไป อีกสามเดือนแต่นี้ตถาคตจะไปมีพานงานในฟังเช่นนี้แล้วก็จริงได้ทูลลากลับไปครั้งงานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงมีพระสติสัมปชัญญะพร่ l o อายุสังขารณปาวาลเจดีก็เกิดอัศจรรย์แผ่นดินไหวใหญ่ทำให้ขนลุกชันสยดสยองพิลึกหน้าสะพึงกลัวทั้งกลองทิพย์ก็บรรลในอากาศ ทั้งนั้นพระอนุณก็เกิดความพิศวงศ์ขึ้นว่าเหตุอันใดแผ่นดินจึงได้เกิดไหวขึ้นก็จึงออกจากลวมไม้ที่ตัวเองนั่งอยู่เข้าไปเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ถึงเรื่องความอาจรจันที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวนั้นพระพุทธองค์ก็จึงได้จัดว่าเหตุที่จะทำให้แผ่นดินไหวนั้นแปดประการอ น, นุ์อะไรม้างเหตุที่จะทาให้แผ่นดินไหว ประการที่หนึ่งก็คือลมกำเลิกประการที่สองท่านผู้มีฤทธิ์บันดาลประการที่สามพระพโทธ่สัตย์จุติจากดุสิกลงสู่พระคันประการที่สี่พระพโทธ่สัตย์ประสูตประการที่ห้าพระมหาบุรุษตรัสรูอนุตระสัมมาสัมโพธียางประการที่หกพระตถาคตเจ้า ตรับอนอุตตรตรัดพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรประการที่เจพระสถาคตเจ้าปร o งอายุสังขารและประการที่แปดพระสถาคตเจ้าปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธรรมเหตุทั้งแปนี่แหละเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดแผ่นดินใหญ่ไหวแต่ละั้งละครั้ง เมื่อพระองค์ทรงตรัสนนีแล้วก็จึงได้นำเนื้อความแต่เบื้องหลังที่พราหมณ์นั้นน่ะได้ทูลขออารัตน์ได้ทูลอารัธนาให้พระองค์ทรงปรินิพานตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่ที่ควงไม้โพและควงไม้อัชปันมีโคษแล้วก็ได้ตรยแกมาน์ได้ได้รับอารัธนามานในวันนี้เอง แล้วพระองค์ก็ปรองอายุสังขารเพราะฉะนั้นแผ่นดินจิงไหวพระอนนทเถระเมื่อได้ฟังเช่นนี้แล้วก็จิงได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงตั้งอยู่กับหนึ่งเถิดเพื่อเกื่อกนแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพื่อประโยชน์และเพื่อเกลื่อนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย นี่ตอนนี้พระอน์เพิ่งระลึกได้ก็จะไงได้ทูลให้พระวุทธองค์เนี่ยให้อยู่จนตลอดอายุกลับหรือเกินกว่าอายุกับเพื่อโค่นตึงกษัตริย์โลอย่างนี้พระผู้มีพระเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสถามว่าดูก่อนอนุลอย่าเลยเธออย่าได้วิงวอนตถาคตเลยบัด น, นี้ไม่ใช่การที่เธอจะมาวิงวอนตถากตเสร็จแล้วพระอนุ์ก็ไม่ยอมอุตสาทูลวิงวอนอยู่ถึงสองสามครั้งพระองค์ก็ตรัสถามว่าดูก่อนอนุล เธอเชื่อปัญญาตรัสรู้แห่งพุทธาคดหรือพระอนนท์ก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธองค์นั้นเนะ่เชื่อพระเจ้าค่ะดูก่อนอนอนท์ถ้าเธอเชื่อฉชนั้นแล้ว <c oughs> ฉชนไหนเธอจึงมาบีบคั้นแค้นพระธาคดถึงสามครั้งเราพระอนนท์ก็กราบทูลว่าข้าพรพุมีภาคเจ้านั้นเนะ่ะ ได้ทรงมาได้ทรงฟังมาเฉพาะพระพักของพระองค์พระผู้มีภาคเจ้าว่าอิทธิบาททั้งสี่ประการนี้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งจเจริญทําให้มากให้เกิดความชํานาญและเข้าคล่องแล้วท่านผู้นั้นหากจะจํานงดารงอยู่นานด้ว ย, วยรูปกายนี้ก็จะพึงตั้งอยู่ได้ถึงกับหนึ่งหรือเกินกว่ากับหนึ่งอิทธิบาต ท, ทั้งสี่ประการนี้พระตถาคตเจ้า ก็ได้จเจริญคล่องแคล่วชำนาญแล้วถ้าพระาเจ้ามาปราศอนาจะตั้งอยู่ด้วยรสรีล ะ, ะด้วยลูกกายนี้แล้วก็สามารถจะดำรงอยู่ได้จนสิ้นอายุกลับหรือเกินกว่าอายุกลับได้พระเจ้าค่ะเพราะเหตุฉะนั้นข้าพรุทธองค์จึงได้กราบทูลวิงวอนอานาถึงสามครั้งเ พ, เพื่อผู้มีพระเจ้าจึงตรสถามอ น, นุอีกว่ามีก่อนอ น, นุ์ เธอเชื่อหรือซึ่งอนุภาพแบ่งอิทธิบาทภาวนาพระอนุนก็กลา่าวพูดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าเชื่อพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ะตัดวันดูก่อนอ น, นุนเพื่อเหตุนั้นเมื่อตถาคตทำนิมิตโอภาอันชัพแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่วิงวอนให้ตถาคต ไม่ได้วิงวอนตถาคตในครัง้งก่อนซึ่งเป็นการอันควรที่จะวิงวอนอยู่อันนี้ก็เป็นความผิดของเธ อ, อ, อ, เ, ธอเพียงผู้เดียวถ้าในคราวนั้นๆหากว่าอนอนลหากว่าเธอนั้นจะพึงวิงวอนตถาคตตถาคตจะพึงห้ามเพียงสองครั้งเท่านั้นแต่ว่าในวาระที่สามตถาคตก็จะพึงรับคำวิงวอนอารัธนาของเธอเพระเหตุนั้นอ น, อนนลเธอไม่วิงวอนเสียตั้งแต่ในการเวลาที่สมควร อันนั้นก็เป็นความผิดของอานน์ผู้เดียวคันพระองค์ตัดจะนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสว่าสถานที่ที่พระองค์ได้ทําเอโอภาษณิมิตเพื่อที่จะให้อานุทูลรัตนานั้นนะ่ะในการ ก, ก่อนนั่นน่ะพระองค์ได้ทํามาแล้วได้กระทรงกระทามาแล้วสิ้นวาา่อาอถึงสิบหกตำบลสิบหกวาระด้วยกันสถานที่ที่พระองค์ได้กระทา โอภานี้ไม่ให้แก่พระอานนท์นั้นน่ะ1กตาบลมีที่ไหนบ้างก็มีที่กรุงราชคลึศิตําบลที่เมืองเวสาลี1ิตําบลที่กรุงราชคลึหรือที่เมืองราชอาราชคลึศิตร์ตบลนั่นก็คือคือ 1. ที่ภูเขาขี้จกุ 2. ที่โคตมักนิโครธ 3. ที่เหวอันเป็นที่ทิ้งโจร ที่ถ้ำสัตบันณาคูหาข้างภูเขาเวพาบันพศห้าการศีลาข้างภูเขาอิสิคีบันพศหกที่เงิ่อนสั ป, ปะโสดิกาณสีตะวันเจ็ดที่ตะโปธารามแปดที่เวริวันมหาวิหารเก้าที่ชีวะกรัรมพวันมห า, าวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่โกอาชิวกโกมาล พ, พัทได้สร้างถวายและก็ศึก ท, ที่มัทกุจฉิมิกทายวันวิหารนี่พระองค์ได้กระทําโอภาสนี้มิแก่พระอานน์ุณณสิบตำบลที่นี้แล้วก็อีกหกตําบล น, นั้นก็คือที่เมืองเวสาลีที่เมืองเวสาลีนี้พระองค์ทรงทํานิมิตโอภาสแก่พระอ น, นุณนั้นถึงสิงตบตาบลหรือสิบแห่งเลยกัน อันที่หกตำบลหรือหกแห่งด้วยกันก็คือหนึ่งที่อุเทนเจดีสองที่โคตมกะเจดีสามที่สัตตมพะเจดีสี่ที่พะุะภปุตตะเจดีห้าที่สารันทะเจดี 5. และประหกที่ปาวาและเจดีณสถานที่นี้รวมแล้วเป็นสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงกระทำนิมิตโอภาสณัเงินสิบหกตำบลหรือสิบหกสถานด้วยกัน ในวาระทั้งที่ผุกตำบล น, นี้พระองค์ตรัสว่าเป็นการที่เธอนั้นจะวิงวอนต ถ, ถาคตแต่อันนนเธอก็ไม่ได้รู้ไม่ได้วิงวอนถ้าในสิบหกตำบลแห่งนี้เธอได้วิงวอนพระตถาคตตำบลใดตำบลหนึ่งต ถ, ถาคตก็จะพึงห้ามเธอซิเพึงสองครั้งแต่ในครั้งที่สามตถาคตก็จะรับอาราธนาแต่ว่าในทั้งที่ผุกตำบล น, นี้ อนนท์ไม่สามารถที่จะรู้ได้ทนเพราะฉะนั้นข้อ น, นี้ก็เป็นความผิดของอนน์ผู้เดียวเท่านั้นรี่กอ่อนอนนท์เราได้บอกแล้วไม่ใช่หรือตั้งแต่เดิมมาไม่ใช่หรือว่าบรรดาสัตว์สังขารอันเป็นที่รักที่จะดินใจทั้งพวงย่อมเป็นต่างๆย่อมพัดพรากเป็นอย่างอื่นไปไม่คงทนถ่าย่อนอยู่ได้ตามใจประสงค์ สิ่งที่เที่ยงซึ่งสัตว์ประสงค์อยู่นั้นสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้ในสังขารนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดมาเพราะด้วยอํานาจแห่งปัจจัยปรุงแต่ ง, ตงตสิ่งดังนั้นก็ต้องถึงเส้นความพินาศไปเป็นธรรมดาการที่จะล่ําร้องหรือปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าได้พินาศไปเลยดังนี้นี้ไม่ใช่ฐานะที่จะให้สมประสงค์ได้ดูก่อนอนล สิ่งใดแลตรตถาคตในสละแล้วขายแล้วปล่อยเสร็จแล้วละเสร็จแล้ววางเสร็จแล้วตถาคตจะคืนกลับมาถือเอาสิ่งนั้นอีกเพราะเหตุแห่งชีวิตอันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อพระพู้นมีพระเจ้าได้ตรัสแก่พระนรินีแล้วจึงเสด็จพุทธดำเนินกลับอย่างกูตาคารละสาลาป่ามหาวันและดำหลักให้สั่งให้พระอนนนั้น ให้เลือกประชุมพระพิสุทังหลายที่อาศัยอยู่ที่เมืองเวสาลีทั้งหมดมาประชุมกันนะที่อุปทานอุปถานนะสาลาโลงฉันพร้อมกันพระองค์ก็สเสด็จประทับนั่งบนพุทธาฏและก็ตรัสทานโอวาทสอนพระพิสุสง์ด้วยอภิญญาเทสิตธรรมอภิญญาเซรษฐีธรรมนั้นพระองค์ได้สอนว่าโดยก่อนพิสุทังหลาย เหตใดเธอทั้งหลายมีความปรารถนานักที่จะให้เราตั้งดืลได้อยู่นานเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นมากเหตุนั้นทำทั้งหลายเหล่านั้นเราได้เทศนาได้แสดงไว้แล้วด้วยปัญญายิ่งแสดงไว้เพื่อจะได้ตรัสรู้เฉพาะหน้าทำทั้งหลายเหล่านั้นทำทั้งหลายภูมิเรียนให้เบีให้สำเร็จประโยชน์ และก็พึงจเจริญทําให้มากๆในสันดานอันนั้นแหละจะพึงยังพรหมจรรย์ให้ตั้งอยู่ในนานไม่เสื่อมสูงและทำอันนั้นแหละจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมากจะได้อนุเคราะห์สัตว์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่ความสุขแก่เทพ ย, ยดาและมนุษย์ทั้งหลายทำทั้งหลายที่แสดงด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นจริงใดเล่า ทมทั้งหลายที่สแสดงมือปัญญาอันยิ่งที่เรียกว่าอภิญญาเทศศิตะธรรมนั้นก็ได้แก่หนึ่งสติประธานสี่สองสมมัิประธานสี่สามอิทธิบาทสี่สี่อินทรีย์ห้าห้าภระาห้าและก็หกพุทธชงเจ็ดและแปดมรกมีองค์แปด ทำเหล่านี้แหละชื่อว่าอภิญญาเทศิตรธรรมท่านทั้งหลายพึงเรียนให้ดีพึงจเจริญทําให้มากไว้ในสันดานพระจะถาคตเจ้าจะพึงทรงอยู่เพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นจากพึงสําเ็จแก่ประชาชนเป็นอันมากทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสำหรับท่านนักศึกษานั้นพึงสังเกตดูไว้ดี ปิญญาเทศสิตธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงนี้ที่กูตาคาราสาลาแห่งนี้นั้นน่ะอีกนายหนึ่งตามในธรรมวิภาคสําหรับนธรรมเชนตรีนี้เรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าโพธิปักขียธรรมจําให้ดีนะโพธิปักขียธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะหมวดนี้เรียกได้สองอย่าง พระพุทธองค์นั้นมาตรัสในที่นี้ว่าอะพิญญาเทศิตธรรมแต่สําหรับในหมวดแห่งธรรมะที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมวิภาคในเรืนัวกว่านั้นถ้าเรียกว่าโพธิปัจจิยธรรมหมายถึงว่าธรรมอันเป็นตอกฝ่ายแห่งการตัดสู่เพราะฉะนั้นในข้อนี้เพื่สังเกตไว้ธรรมะสองอธรรมะสาหรับหมวดนี้เรียกได้สองประการด้วยกัน เอาละท่านสาธารณผู้จุบริษัทและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็ขอจบบทเรียนพุทธประวัติไว้แค่นี้ขอความเจริญพาะสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอจเจริญตอนท่านผู้ฟังและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้เราก็มาเรียนบทเรียนพุทธประวัติกันต่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้มาได้พูดถึงตอนที่พระองค์ได้ทรงสแสดง อภิญยาเทศิตธรรมหรืออีกในอนหนึ่งก็คือโพธิปักจียธรรมเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้แสดงอภิญญาเทศิตธรรมแล้วก็ทรงสั่งสอนให้พิสุทธทั้งหลายในสังเวชกถาและอัปปมาทกถาตรัสเรียกอัตรเตือนพิสุททั้งหลายว่าดูความพิสุททั้งหลายเราเตือนท่านทั้งหลายให้รู้ สังขารคือทมที่ประจัยปรุงแต่งทั้งนี้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาทำทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดความปริยนิพานแห่งพระสถาคตจักมีในไม่ช้าโดยการล่วงจากนี้ไปสามเดือนแต่นี้ไปพระสถาคตเจ้าจักปริยนิพาน ชนทั้งหลายเหล่าใดทั้งที่เป็นคนหนุ่มทั้งที่เป็นคนแก่ทั้งที่เป็นพานทั้งที่เป็นบฑิตทั้งที่เป็นคนมั่งทงั่งหรือยากจนหรือยากไรก็ตามชน ท, ทั้งปวงนั้นล้วนมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าทั้งนั้นเหมือนกับภาชนะดินที่ในช่างหม้อกระทำแล้วจะเล็กก็ตามใหญ่ก็ตามเผาสุกก็ตามหรือว่าดิบก็ตามหรือยังไม่เผาคือยังดิบก็ตาม บรรดาภาชนะดินทั้งปวงเหล่านั้นไม่ว่าขนาดไหนล้วนจะมีความแตกทำลายไปในที่สุดชีวิตของเราสัตว์ทั้งหลายมีความแตกทำลายประลาพินาศไปเหมือนเช่นนั้นเหมือนกันวัยแห่งเรานั่งแก่รอบแล้วชีวิตเราน้อยนนะักเราจะละท่านทั้งหลายไปเสียที่พึ่ง เ, าเร า, เาที่พึ่งของเราเราก็ได้ทำไว้แก่ตนแล้วดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลอันดีเถิดจงมีความดำริมั่นคงจงตามรักษาจิตของตนบุคคลใดจกเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ณในธรรมวินัยนี้บุคคลนั้นก็จะละเสียซึ่งชาติสังขารได้เหตุที่พวกเราทั้งหลายนั้นยังท่องเที่ยวเกิดอยู่ก็เพราะเหตุที่ว่า เรายังมีความประมาทอยู่รงค์สุนทรเทสัมมารัมพุติเจ้านั้นได้ทรงสั่งสอนพิสุขเกี่ยวกับเรื่องให้เป็นผู้ไม่ประมาทในอั ป, ปมาธาธรรมแล้วซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงอลงอายุสังขานนั่นเอง เพราะฉะนั้นในวันที่พระองค์ทรงปรงอายุสังขานั้นก็เป็นวันตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามที่เราเรียกกันว่ามาคะบูชาเพราะฉะนั้นในในวันแห่งมาคะบูชานี้จึงเป็นวันที่ชาวพุทธบริษัทเราทั้งหลายนั้นบำเพ็ญการบูชาอย่างยิ่งใหญ่วันหนึ่งที่เราเรียกว่าวันมาคะบูชาซึ่งมีเหตุการณ์สําคัญอยู่สองประการก็คือหนึ่งเป็นวันจารุรงค์พรนิบาต คือที่มีพระพิสุสงฆ์มาประชุมพร้อมกันโดยที่ไม่นัดหมายนั้นและอีกประการหนึ่งก็คือเป็นวันที่พระองค์ทรงปวงอายุสังขารซึ่งระยะการนั้นห่างกัน44ปีห่างกัน44ปีเพราะฉะนั้นในวาระวันนี้เราจึงได้ชาวภูตทั้งหลายเราจึงได้ถือว่าเป็นมรมาคบูชาก็ทําการบูชาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน3คือวันเพ็ญขึ้น15ค่าเดือน3 เมื่ององเส ด, ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุในวันเพ่งขึ้นเดือนสานั้นแล้วพอในตอนรุ่งขึ้นตอนเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตพร้อมกับพระอานนท์ที่เมืองเวสาในเมืองเวสาลีนั้นคั่นฉันอาหารบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เสด็จออกจากเมืองเวสาลี จากประตูเมืองเวสาลีแล้วพระองค์ก็ทรงหันพระกายกลับไปดูเมืองเวสาลีอีกเป็นครั้งสุดท้ายการหันกลับของพระองค์นี้ที่เรียกกันว่าเป็นนาคาวโลกคือแปลว่าเป็นการเลี้ยวกลับดูเหมือนกับพญาช้างที่พระองค์เสด็จเยื้องพระกายทั้งพระองค์ เหมือนกับช้างเมื่อจะดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้างหลังแล้วไม่สามารถที่จะหันเพียงลําคอได้ต้องหันกลับทั้งตัวองค์ทูตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์ทรงหันกลับทั้งพระองค์เยี่ยงอาการของพระมหาบุรุษแล้วก็ตรัสกับพระนนวันดูกรอ น, อ น, นุนการเห็นเมืองเวสาลีครั้งนี้ของพระตถาคตเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายที่เรียกออกเป็นปัจฉิมทัศนะ ลูกคอนอ น, นุนเรามาไปบ้านมาเรามาพร้อมกันไปบ้านพันทุกขามเถอะสมเด็จ ผ, ผู้มีภาคเจ้าพร้อมด้วยพระพิโสสงก์ก็เดชดำเนินไปสู่บ้านพันทุกขามแล้วก็เดชเสด็จประทับอยู่ที่บ้านพันธุกขามนั้นในตัดแสดงถึงอริยธรรมสีประกาศอริยธรรมสีประการที่พระองค์ทรงแสดงนั้นก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็วินุก ะในข้อนี้นักเรียนนักศึกษาคุณกําหนดไว้อริยธรรมสีประการนี้แปลว่าธรรมของพระเยรีเจ้าหรือธรรมที่ประเสริฐนั้นก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาและวิมุต t นั้นที่จำง่ายๆคือว่าไตรสิกขากับวิมุติไตรสิกขาหรือว่าสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหลักของพุทธศาสนานั้นแล้วก็วิมุติ อีกข้อหนึ่งนี่เพื่อความจำง่ายซึ่งพระองค์ในแสดงว่าบุคคลใดประพฤติตามศีลสมาธิปัญญานี้ผลที่จะได้มาก็คือได้วิมุติเพราะฉะนั้นวิมุตินี้เป็นผลแห่งการประพฤติไรศิกขาพระองค์ก็ได้ตรัสว่าดูกรที่สุดทั้งหลายการที่จะถาคตและก็พูดเธอทั้งหลายนี้ยังท่องเที่ยว ไปสู่พบน้อยพบใหญ่สิ่งการานนักก็เพราะเหตุที่ว่ามีโมหะมาะคือความมืดมาปิดบังเสียไม่ให้เกิดปัญญาตัดสูในอริยธรรมทั้งสีประการนี้เพราะฉะนั้น จ, จ, จึงยังต้องเสวยสังสารทุกข์กันอีก เมื่อเราท่านทั้งหลายนั้นบัดนี้มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติคืออริยธรรมทั้งสีประการแล้วเราทั้งหลายได้แทงตลอดได้รับรแล้วเพราะฉะนั้นตัณหาที่จะเป็นเครื่องนําไปสู่ภพดุจเชือกที่ผูกอยู่ที่ข้อเท้าของเราทั้งหมดก็ลิสิทธิ์แล้วตัณหาไม่สามารถที่จะสร้างภพสร้างชาติให้เราเกิดได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นทั้งภพทั้งชาติความเกิดของเรา และท่านทั้งหลายจะไม่มีอีกเมื่อพระผู้มีพระเจ้าเสด็จอยู่ที่บ้านพันธุกามได้แสดงถึงอริยธรรมสีประการเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ได้เสด็จต่อจากบ้านพันธุกามไปโดยลำดับถึงบ้านหัดถีคาม อพาพักคมชัมพ้คามและจากบ้านพันชุกาพชัมพ้คามก็ไปสู่ยังโพคนครสเสด็จประทับอยู่ที่อานัตเจดีเขตโพคนครจรึงได้กรัดเทศนามหาประเทศสี่ฝ่ายพระสูตรสอนพุทธบริษัทษเพื่อที่จะได้กำหนดรู้ว่าสิ่งใดเป็นธรรม สิ่งใดเป็นวินัยซึ่งในสิ่งใ ด, งใดเป็นสัตสตุสัตคือเป็นคําสอนของพระศาสดาสิ่งใดไม่ใช่ธรรมสิ่งใดไม่ใช่วินัยและสิ่งใดไม่ใช่สัตศาสตร์พระองค์ก็จึงได้เทศนาเรื่องมหาประเทศสี่นั้นโดยความย่อ <c oughs> ซึ่งมีเป็นข้ออ้างวะดูก่อนพิสุทั้งหลายถ้ามีพิกสุ องใดองค์หนึ่งหรือใครองคใดองหนึ่งมาอ้างว่าพระศาสดาก็ดีอ้างพระสงฆ์ก็ดีอ้างคณะก็ดีหรืออ้างบุคคลก็ดีแล้วแสดงว่าสิ่งนี้เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัตรูศัตรูคือหมายความว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาอ้างคําสอนอย่างใดหนึ่งว่าพระศาสดาองนั้นสอนมาพระสงฆ์องนี้สอนมาหรือว่าคณะนี้บุคคลนี้ได้กล่าวมาวันนี้เป็นพระธรรมเป็นวินัยเป็นสัตรูศัตรู เธออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งรับรองว่าเป็นภาสิทธิ์หรือเป็นพุทธภาสิทธิ์แต่เธออย่าได้ปฏิเสธเธอพึ่งเอาอจิตเวลาพึ่งสอบเทียบธรรมะที่เขากล่าวนั้นสอบสวนดูในพุสูตรในพระวินยัยซื้อถ้าหากลลงกันได้กับพุสูตรลงกันได้กับพระวินยัยอันนั่นแหละ เธอพึงชื่อว่านั่นเป็นพระธรรมนั่นเป็นพระวินัยนั่นเป็นสัตศาสตร์แต่ถ้าหากว่าลงกันไม่ได้กับพระสูตรกับพระวินัยเธอเพึงคิดแต่ว่านั่นไม่ใช่คําสอนของพระพระศาสดาไม่ใช่ธรร ม, ไ, ไ, มไม่ใช่พระวินยัยบุคคลนั่นจํามาคลาดเคลื่อน ขอให้เธอนั้นพึงทำการาพึงทําความฉันฐานอย่างนี้อีประการหนึ่งเพื่อความจํา ง, ง่ายๆคือว่าคาใดอธรรมะหรือกาคาสอนใดก็ตามถ้าหากว่าเชื่อไปด้วยราคะโทสะโมหะอันนั้นไม่ใช่พระธรรมวินยัยคือไม่ใช่คําสอนของพระศาสดาแต่คําสอนใดที่เป็นไปเพื่อกําจัดราคะโทสะและโมหะอันนั้นแหละเป็นคําสอนของพระศาสดาคือเป็นพระธรรมวินยัย พระองค์นั้นได้ตรัสแสดงได้ตรัสมหาประเทศทั้งสี่ประการที่อนันทเจดีและก็ได้ตรัสทำมีกาถาแสดงถึงไตรสิกข า, าโดยในหุ่นหลังคือว่าอริยธรรมสี่ประการนั้นตามสงควรแก่สมัยเมื่อพระองค์นั้นเสด็จถึงปัวขนครแล้วสำรานิลิยาบทตามพุทธยาสัย ตามสมควรแล้ววันเดือนก็ลงร่วงล่วงไปใกล้กำหนดที่นิยมไว้ว่าพระองค์จะปรินิพานคือหลังจากจงอายุสังขานไปสามเดือนแล้วพระองค์นั้นก็พร้อมด้วยพระวิสุทสงฆ์ผู้เป็นบริวาร น, นั้นเสด็จพุทธดำเนินถึงปาวานนครในเสด็จถึงปาวานนครแล้วได้ประทับอยู่ที่อัมพวันป่าไม้มาม่วงแห่งในจุนทะกรมมลระบุตร ซึ่งเป็นลูกเป็นบุตรของนายช่างทองในจุนทกกรรมระบุตนี้ได้ยิงข่าวว่าพระผู้มีพระเจ้าเสด็จมาถึงเมืองปาวาแล้วบัตรนี้เสด็จประทับอยู่ที่ป่ามะม่วงของเราด้วยจึงได้เข้าไปเฝ้าถวายพิว่าแล้วนั่งที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระเจ้าก็จึงได้ตรัสทำมีคาถาให้ในายจุนทกกรรมระบุนั้น เห็นในทางกรรมนวีบากคือพระองค์ทรงตรัสถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมให้ในจุนทะแล้วก็ให้ในจุนทะนั้นยึดมั่นถือซึ่งกุศลจิริยาคือบ่าบำเพ็ญแต่กุศลกรรมจึงมาทั่งให้อกล้าหาล่าเลิ่งในจริยาสัมมาปฏิบัติแล้วในจุนทะก็จึงได้กลาบทูลเชิงเสด็จ เพื่อที่จะได้รับพระตาหารในวันอในนวัรุ่งขึ้น <c oughs> ว่าขอพระผู้มีพระเจ้ากับพระพิสุสงฆ์จงทรงรับพระตาหารเพื่อสเสวยของข้าพระองค์เพื่อจะสเสวยในวันพรุ่งนี้พระองค์ก็จึงได้ทรงรับนิมนต์ของนายจุนทะด้วยอาการที่นิ่งตามทําเนียของบรรดชิดนายจุนทะกรรมาลาบุตรนั้น เมื่อทราบว่าพระองค์ทรงรับแล้วก็จึงได้ลุกจากอาสนะอภิวาสแล้วก็บังคมทาประทักษิณและหลีไปเมื่อในจุนทะกลับมาแล้วก็จึงได้จัดให้บรรดาคนชายและบริวารต่างจัดแจงอาหารเพื่อที่จะถวายพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระพิสุสงในวันลุงขึ้นซึ่งวันนั้นเป็นวันวันที่ในจุนทะ ได้กล่าวทูลรัตนาพระพุทธองค์ไปสวยพระยาหารในวันในวันลุ่งขึ้นนั้นวันนั้นเป็นวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกก่อนที่พระพุทธพระพุทธองค์จะปริญญาพานเพียงหนวันเท่านั้นพอในวันลุ่งขึ้นในจุนทะกรรมมาลาบุตรนั้นก็ิง่งได้ถวายอาหารมิถบบาบัดแก่พระพุทธองค์ ซึ่งอาหารบิธฑบาตมื้อนี้เป็นปัจฉิมบิณบาตนท า, านคือเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธองค์ซึ่งพระพุทธองค์นั้นกำหนดตามนิยมนั้นจะตรินิพพานในวันนี้ซึ่งวันนั้นเป็นวันวิสาขะคุณมีดิถีเพนพระจันทร์เสวยเลิกวิสาะขะทัางนั้นในจุนทะกรรมมาลบุตร ได้ตกแต่งภูชนะและของเคี้ยวของที่บริโภคอันประณีตอันมีสุกรามัสุวะอันเป็นอาหารอันประณีตสุกรามัตวะนี้บางท่านได้กล่าวว่าได้แก่มังสะหรือว่าเนื้อสุกรอ่อนอเป็นเนื้อสุกรอ่อน แต่ว่ากันตามนั่นแล้วท่านกล่าวว่าสูกระมัทวานีเป็นชื่อแห่งเห็ดชนิดหนึ่งชาวลังกาเรียกกันว่าสูกรามัตัวหมายถึงว่าเห็ดเป็นเห็ดชนิดหนึ่งเป็นอาหารเกี่ยวกับเรื่องเห็ดชนิดหนึ่งไม่ใช่หมูหรือว่าเป็นเนื้อสุ ก, กรออดแต่ว่าชื่อนั้น ไปพาดพิงถึงสุกรเขาสุกระมะทวะถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกันในไทยเราก็มีเห็ดบางชนิดที่ไปชื่อพาดพึงเหมือนกับักดิ์เช่นคําว่าเห็ดหูหนูอย่างนี้เป็นต้นต่าหากบุคคลใดที่ไม่รู้จักหรือไม่รู้จักภาษาไทยก็เข้าใจอาจจะเข้าใจว่าคุนไทยเรานี่กินหูหนูก็ได้เพราะฉะนั้นสุกระมะทวะนี้ท่านบอกว่าเป็นเห็ดชนิดหนึ่ง และถ้าหาว่าเราจะพูดกันตามหลักแล้วคนชาวอินเดียส่วนมากในครัง้งก่อนๆที่เคร่งนั้นนะรู้สึกว่าจะถือมังสวิรัตเป็นส่วนมากแต่ก็ไม่แน่เพราะบางท่านนั้นไม่ถือก็มีนอาจจะเป็นอาหารอย่างอื่นแต่ว่าในสุก ร, รมัมทวะนี้ท่านกล่าวว่าเป็นเหตุชนิดหนึ่งไม่ใช่มังสะิรหรือเนื้อสุกรออนอ ซึ่งเห็ดชนิดนี้คงจะเป็นเหตุที่มีชื่อขึ้นชื่อด้วยชาหรือเป็นเห็ุที่มีราคาแพงมากเพราะฉะนั้นจึงนับเข้าในประเภทที่ว่าอาหารอันประณีตซึ่งในจุลธานี้คงจะทําถวายเป็นการประณีตสําหรับที่จะถวายองค์สุเดลพุทธสมมาสัมพุทธเจ้ากับพระพุทธอากับพระสงฆ์โดยซึ่งบุคคลนั้นบางท่านมีจิตที่เป็นกุศลเมื่อตนเองมีอ อาหารของตนเองในชีวิตประจาวันก็เป็นไปตามแบบธรรมดาแต่วันไหนจะทำบุญแล้วก็มักจะทำอาหารพิเศษนะเพราะฉะนั้นจึงได้จัดสูตรกรมาธวะเป็นอาหารพิเศษนี้ถวายองค์ทุนเทพสมมาส ม, าสมุทรเจ้ากับพร้อมผสมด้วยเมื่อถึงเวลาการอันสมอันอันควรแล้วก็จึงได้ให้ให้บุุษทั้งหลายให้บุุษไปก่าวทูลเกี่ยวกับเรื่องถึงเวลาพระาหาร รงคุณเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้เสด็จไปบ้านของในจุนทะพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จากอัมพวันซึ่งเป็นสถานที่พักในจุนทะกรรมมาแอนแล้วก็เสด็จประทับนั่งบนพุทธา์พระองค์ก็ทรงตรัสเรียกในจุนทะกรรมมาระบุมาว่าดูก่อนในจุนทะสำหรับอาหารคือสุกรมัวะนั้น ที่ท่านได้ตกแต่งไว้แล้วเป็นพยาทานท่านจงอังคาดเฉพาะภาษาสอทพระถ า, าคุณนั้นแต่ว่าสิ่งอื่นที่ในต้องทำต่อไปตกแต่งไว้แล้วจงอังคาดทับทีุสู์ด้วยของเคี้ยวของฉันอันอื่นเถิดคือพระองค์ทรงตรัสว่าสําหรับสุกละมาถวะนั้นให้ถวายเฉพาะพระองค์ ว่าอาหารอื่นนั้นให้ถวายแก่พิสุสงในจุนทะนั้นก็จึงได้กระทําตามพุทธโอวาทจึงได้ถวายสุกรมัทวะนี้แก่พระพุทธองค์เพียงพระองค์เดียวก็จึงแล้วส่วนอาหารอื่นนั้นก็อังฆ่าพราะพิสุสงด้วยอาหารหนั่นอื่นการเสร็จพัฒกิจแล้วพระองค์ก็จึงได้ตรัสแก่ในจุนทะวา่าให้นําเอาสุกรมัถวะที่เหลือทั้งหมดเนี่ยไปฝังเส้นในบอก เพราเหตุว่าผู้คนอื่นนั้นนอกจากพระาถาคตแล้วไม่ควรที่จะบริโภคเพราะเหตุที่ว่าไม่สามารถที่จะให้ย่อยได้เมื่อตรัสให้ในจุนทะนั้นนำเอาสูกรังมัุวะไปฝังแล้วพระองค์ก็ได้แสดงธรรมมีระถาให้ในจุนทะกรรมารบุก น, นี้ชื่นชมในกุศลบุญกิริยาที่ตนเองได้ถวายอาหารแก่พระที่สุสงแล้วก็เสด็จพุทธดาเนิน ไปกับพระพิสุสงฆ์ผู้เป็นบริวารเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบริภคทรงสเสวยพระกยาหารของบ้านในจุนทะไปแล้วก็เกิดอาพาธหงกล้าถึงก่อไปชวนลงพระโลหิตเกิดเวทนาอย่างกล้ามากใกล้ที่จะถึงแก่มรณะหรือว่าสิ้นพระชนแต่พระองค์ก็มีสติสัมปชัญญะไม่ทุรนทุลาย ทรงอดกั้นเวทนานั้นด้วยอธิวาสนะชันติการที่พระองค์ทรงอ า, าพาธหนักนี้ก็เหตุเนื่องมาจากการเสวยสุกรมัทวะในข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าการที่พระองค์เสวยสุกรัมัถวะนั้นพระองค์รู้หรือเปล่าว่าสุกรัมัทะนั้นเป็นอาหารที่เป็นพิษอันนี้พระองค์ทร ง, งทราบ เหตุที่พระองค์ทรงทราบเท่นั้นแหละพระองค์จึงได้ห้ามในจินทะเสียไม่ให้ถวายแก่ภิกษุอื่นเพราะว่าเป็นอันตรายแก่ภิกษุอื่นแล้วเมื่อพระองค์สร้อยเสร็จยังตรัสอีกด้วยว่าให้นําเอาสูก ร, รัมทวานี้ไปฝังเสียห้ามแย่คนอื่นบริโภคควรที่พระตถาคตจะบริโภคเพียงผู้เดียวเท่านั้นเอง แล้วก็มีปัญหาถามว่าเมื่อพ ร, รอะองค์จัดเมื่อพระองค์ทรงเลี้ยบมีพิธีนี้แล้วเหตุใดพระองค์จินได้ส่วยอันนี้พระองค์ก็เพื่อที่จะเรียกง่ายๆวเอฉลองศรัทธาเขาก็ราเหตุว่าอาหารเช่นนี้เป็นอาหารที่ละมีดหรือมีราคาแพงเมื่อหากว่าพระองค์ไปทรงเสวยเสร็จแล้วอาจจะทําความเรียกว่าศรัทธาของในจุลธนนั้นตกตก็ได้ กปจะจิม่นเสวยเพื่อฉลองศรัทธาเขาแล้วก็หากจะมีปัญหาถามว่าเหตุใดในจุนทานันไม่รู้หรือที่ว่าเหตุนี้เป็นอันตรายและทำไมถึงยังต้องมีการทำเหตุนี้ขึ้นในเรื่องนี้ก็เข้าใจว่าเหตุนั้นหรือว่าอาหารบางชนิดนั้นอย่างเมืองไทยก็มีมีผักบางชนิดมางพวกได้เป็ น, น, นหน้าบางหน้าเป็นพิษ และบางหน้าไม่เป็นพิษเพราะฉะนั้นเข้าใจวันในจุนทานีคงจะบริโภคหรือไม่รู้จักการไม่รู้จักการที่ว่าเหตุนี้ในการไหนมีพิษและในการไหนไม่มีพิษก็เข้าใจว่าคงจะบริโภคได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นจึงได้ทําถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเพราะเหตุที่ทรงเสวย สูกรกรรมะรรมะของในจุนทะนั้นจึงได้เกิดอาพาธอย่างแรงกล้าถึงกับลงพรโลหิตลงพระโลหิตลงพุโลหิตนี้เข้าใจว่าคงจะอาเจียนออกมาเป็นโลหิตหรือถ่ายออกมาเป็นโลหิตที่เราเรียกว่าลงพโลหิตถึงทุกขเวทนาอย่างแรงกล้ามาใกล้จะสิ้นพชน แต่พระองค์ก็ทรงระ ง, งับด้วยอธิวาสนะคันติในครังนั้นพระองค์ก็ตักเรียกพระนลมาบอกว่าอานอนท์เรามาไปพร้อมกันเถิดไปเมืองกุสินาราพระอานอนท์ก็รับแล้วก็รับพระดหรัดแล้วก็จึงได้บอกแก่พระพิสุสงฆ์ให้ทราบโดยทั่วกันก็จึงได้เสด็จไปตามมันคาไปเยี่ยงไปยังเมืองกุสินารา เมื่อเสด็จมาทา ง, างอํางมาระหว่างทางนั้นก็พระองค์นั้นทรงลําบากผู้วรกายมากเพราะเหตุที่ว่ากําลังไปชวนหนักก็จึงได้อยู่ทรงแวะเข้าข้างทางประทับที่ล้มไม้แห่งหนึ่งแล้วก็ตกรัสพระนนท์ว่าดูกรอนอนท์เธอจงปูผ้าสังฆติให้เป็นสี่ชั้นตถาคตเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินจะนั่งพักระงับความลําบากกายเส้นหน่อย ่าน อ, อนนท์ก็ปูผ้าสังฆาติถวายพระองค์ก็ประทับนั่งแลแ้วจักเรียกพระ อ, อนนท์มาว่าดูก่อนอนอนท์เธอจงนําน้ําฉันมาให้สถาคตสถาคตนั่นจัดเดิมเพื่อระงับความสงหาหายให้สงบพระ อ, อนนท์ก็กล่าวทูลว่าข้าแต่พระองค์เกวียนประมาณห้าร้อยเล่มเพิ่งผ่านข้าแม่น้ําไปเดี๋ยวนี้เองและแม่น้ํานี้ก็เป็นแม่น้ําเล็กๆเตินเขินด้วย ล้อเกีย์นี้จะบดลงในแม่น้ําจะทําให้น้ําขุนน้ํานี้ไม่ควรฉันพระเจ้าค่ะแม่น้ํากุทานไอ้กะกุทานนาทีนั้นเนี่ยมีน้ําใสน้ําจืดเย็นสนิทแล้วก็มีอท่าที่จะอาบได้ลื่นลมอยู่ไม่ไกลนักขอเชิญพระองค์นั่นแข่งสะไทยดําเนินต่อไปอีกสักหน่อยให้ถึงแม่น้ํากุทานาทีเถิดพระเจ้าค่ะจะได้สเสวยและสงชําระพระกายได้เย็นอย่างสลาลัน พระพุทธองค์ก็จากแก่พระอนุนถึงสามครั้งว่าให้พระอนุนเนี้ยนำหน้ามาให้พระองค์ทรงเด่นเพื่อระ ง, งับพระนรตะทัตทานอยู่ถึงสามสองครั้งในครั้งวาละที่สามนั้นก็จึงไม่ไทูลทัต ท, ท, ทานประการใดพระอนุนเทระเจ้าก็จึงได้นาบาตรไปตักมาโดยที่มีคิดอโดยที่ระลึกขึ้นได้ว่า ธรรมดานั้นพระสถาคตพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นจะดำลงคงพระวาจาอยู่ด้วยนั้นโดยที่เหตุไม่ทุงขกวรหาได้ไม่ก็จกึงไปลีกถือบาตรไปยังแม่น้ำ น, นั้นขรั้เมื่อเข้าไปใกล้ๆนั้นพอพระอานนท์ใช้บาตรตักในแม่ตักลงไปในแม่น้ำปรากฏว่าเกิดความพิุวงแก่พระอานนท์ขึ้นอย่างมาก พระเหตุที่ว่าน้ำที่ตักมาถวายนั้นซึ่งแม่น้ำนั้นก็คุณคุนด้วยล้อเวียนอยู่แต่เดิมก็เกิดใสสะอาดไม่คุนมัวเป็นที่น่ามหัศจรรย์พราะนนเห็นเด่าเห็นฉะนั้นแล้วก็จึงเป็นดลิว่าพระสถาคตุทเจ้างเนี่ยมีอานมีฤทธิ์มีอนุภาพใหญ่หลวงเป็นอัศจรรย์นักเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแม่น้ำคุนแท้เมื่อเราเข้าไปใกล้พจะตักน้าก็ใสไม่ขุน พระเถระตักน้ำด้วบาทแล้วด้วยความมันเทิงใจก็เข้าไปเฝ้าพระโลกกนาถกราบทูลเหตุความมหาเจเช่น น, นแล้วก็จึงได้นำน้ำไปถวายต่อองค์สุเดชพุสมมาสมุทธิเจา้าพระองค์ก็ทรงเสวยแล้วก็ประทับอยู่ณล่มไม้แห่งนั้นตามพระอัธยาใัยในขณนะนั้นเองก็มีบุตรแห่งมะละ องอนหนึ่งชื่อปุกุสะเส่งปุกุสะผู้นี้เคยเป็นสาวกของอาลาระดาบทการามโคตคือหมายความว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกับพระพุทธองค์ก็ได้รู้จักกันปุกุสะผู้นี้ออกจากเมืองกุสินาราที่จะไปเมืองปาวานนครเดินมามาถึงที่นั้นแล้วได้เห็นองค์ส้เด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าก็จาได้ก็จึงได้เข้าไปถวายพิวั แล้วก็น่งประทับนั่งอยู่พระองค์ก็ได้แสดงสันติวิหารธรรมแก่ปุกุสะให้ฟังสันติวิหารธรรมปุกุสะเกิดความเลื่อมใสจึงเดินน้อมคู่ผ้าสิงที่วันเข้าไปถวายผ้าสิงที่วันนี้ท่านบอกว่ามีสีเหลืองดังกับเปลวไฟนะมีสีมันก็เปลวไฟที่ปราศจากควัน น, น เข้าไปถวายสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าแล้วกราบถูนว่าข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าผ้าเนื้อเกลี้ยงสีทองสีดังทองสิงคีนี้ของข้าพเจ้าคู่นี้เนี่ยเป็นผ้าพิเศษข้าพระองค์นั้นจะนุ่งห่มเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเป็นของพรเป็นของที่ประนิสสงวนไว้ขอพระพู้มีพระเจ้าจงอาศัยความอนุเคราะห์ทรงรับผ้า คู่สิ่งค่วันนี้ของขพระพุทองค์เธอองคุณเถรสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงให้เราปกอจงถวายผ้าสิ่งที่วันให้เราปกอีกกายเนี่ยเพียงถุนหนึ่งเธออี่ถืนหนึ่งนั้นเธอจงถวายแก่พระอ น, นุตปุกุสะมารบุตรนั้นก็ถวายพระพุทธองค์นั้นพื้นหนึ่ง ในทุนหนึ่งก็นำไปถวายพระพุทธไปถวายพระนนท์ตามพุทธประสงค์สมเด็จพระพู้มีภาคจากก็จึงไ ด, ด้แสดงธรรมมีกาถาให้ปุกุสะมันระ บ, บุนั้นลื่นเริศในกุศลธรรมจริยาตามสมควรแล้วปุกุสะก็ถวายพิวาตบังคมแล้วก็ทาพระทกพินแล้วก็หลีกไปเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ขอจบไปเพียงแท่นี้ก่อน ขอความจเจริญผาสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอจเจริญพร